มือ่อเอินตอนเช้าคุณนายผู้ว่าเพิ่มสมัติตักบาทนำพวกเขานะคุณนายผู้ว่าอุดรวันเกิดของเพิ่มสมัติตักบาทใชบาทรวมกับเป้าเบิงเบิงนะชอยๆกันเบิงสถานที่ของเพิ่กลุ่มของเพิน่นเป็นเถ้คู่บา ท, ทั้งหลายเป็นตาเอาพาเขา ไปปูปูกระดผ่าเข า, า, ข า, า้องประยากปูโตเพระต้องเอาโตขาวไปดอกมันขนย า, ยยากโตอันนั้นละพีแต่เอาปูผ่าเขาปูให้สะอาดนนะพ่อแล้วก็เบิงเงซอยกันเบิงปุ่นมาทาปุน่นวันเกิดของปุ่นคุณนายท่านผู้ว่ามาสบสิบมาอยู่บ่ แต่ว่าทําบุญคุณนายท่านผู้ว่านะ่ะแล้วก็เมื่อฉันจังหันเซ็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อก็จะได้เฝ้าไปบ้านตาดขึ้นกันตอนเที่ยงประมาณทิบสิบเอ็ดโมงจะเคืยย่อนใหญ่ศพคุณแม่จันดีลบไปสู่เมน่นมาแล้วก็จะได้มีทําพิธีสวด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 แต่หลวงพ่อคงจะไปตอนใช้าสายพ่อแล้วงานพี่ละเพราะผู้ว่าเพิ่นมากแล้ะก็สจิบไปละเมื่อวันที่สิบแปดสิบแปดตอนเช้าวันที่สิบแปดจะมีการไปฉันอยู่วัดหลวงพ่อคุ้นเลยสุเมโโธเป็นวันครบรอยวันของเพิิน เปิดมรณะภาพแล้วก็บมือแร้งมือเนียมีเป็นการมิการสวดมนต์อยู่วัดหลวงพ่อคูณหลวงพ่อก็คงจะไปไปสวดมนต์เย็นมือเหนี้ดจุกจักแล้วก็คงจะได้มีอย่างจะได้ไประชุมหารือกันมั้งเกี่ยวกับเจดีแต่เงีนยบาจังสันละ่ะสรุปแล้วก็คือวันที่วันที่แปดวันที่สิบปดเนี่ย <c oughs> มืออื่นหลวงพอ่อตั้งคุณได้ผู้วา่ากำมาาไซบาตแล้วก็นในมณนลหลวงพอ่อไปฉันวัดผู้ดินพอฉันแล้วก็จะไปงานคุณแม่จันดีมีแต่งานใหญ่ๆงานสร้างวัดพวกเขาก็จะคิดอย่างไรบ้านท่านผู้วา่าก็จะมาไซบาต คุณนายผัวกับเจ้มาใส่บาอยู่บองนี่แล้วก็พร้อมกันกับหลวงพ่อจะได้ไปชันอยู่บ้านเผืออีกปันเลย่าเอียกว่าซับสนพอสมควรหลวงพ่อก็ต้องหลวงพอกางจ้างก็ต้องตัดทิมงานนึงห ล, ละพระองจะบ่ได้ไปไม่ไ <c oughs> ด้ไปชันงานหลวงพ่อคูนอื่นพระองค์จะชันอยู่นี่แหละ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 ถืออาวุโสผู้มีอาวุโสเน่เป็นเรื่องใหญ่เพราะนั้นเวลาในท้องถิ่นเขตนี้โดยมากพระกรรมฐานถ้าจะว่าไปแล้วในท้องถิ่นอำเภอนายงูงน้ำโสมเนี่ยธรรมยุทธ์นะหลวงพ่อจะมีอายุพรรษา ม, มากกว่าเพื่อนทั้งหมดนะลูกหลานนะช่วงนี้นะ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 โผล่ในสูงก็เลยร้องให้โยวยวายไปกราบพระพุทธเจ้าเจ้าเออทาไมเธอร้องให้ทําไมพูดเรื่องความจริงให้ฟังพระพุทธองค์บอกว่ามันถูกแล้วที่เขาทําอย่างนั้นน่ะนี่แหละอันนี้ก็คือสาเหตุหนึ่งพระในครั้งพุทธกาลจากนั้นพระองค์ก็พวกท่านทั้งหลายเป็นพระ เป็นพระบวชในศาสนาของเราตถาคตเป็นผู้ฝึกฝนต่อศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมหวังมักผลนิพพานแต่พวกท่านทั้งหลายทำไมจึงไม่เคารพ ก, กันจึงไม่ให้เกียิกันขนาดเราเป็นสัตว์ดิรัจฉานเรายังให้เกียริเรายังเคารพ ก, กันแต่พวกท่านเป็นพระภิกษุอุทิศตน ต่อพระพุทธศาสนาต่อเราตถาคตเราตถาคตก็สอนเพื่อมักเพื่อผลเพื่อความพ้นทุกข์เรื่องทิฏฐิมานะต่างๆเราให้ถอดทิ้งสลัดทิ้งหมดแต่พวกท่านทั้งหลายจึงมาทําไมจึงวางตัวไม่ถูกพระพุทธองค์ประนามประนามพระสง์พระสงฆ์ก็ได้ยินว่าขนาดเราเกิดเป็นชั ด, ดิฏฐาฉัน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 จะได้แสดงความเคารพกันนะกรณยไปพูดกันอยู่ต้นไทรมีต้นไทรอยู่ต้นหนึ่งเป็นออกดอกออกผลละยมีต้นไทรอยู่ล่มต้นไทรนกกรทาก็บอกว่าสมัยก่อนข้ามีเห็นต้นไทรอยู่ต้นหนึ่งอยู่เ น, นทาง เ, เทศนั่นหละข้าได้ไปกินลูกไทรแต่แถวนี้ยังไม่มีนะต้นไทรตันนี้ยังไม่มีที่เราอยู่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 ประมาณนี่และละสีข้างของผมที่เดินผ่านมาตน้นไทรตัวนี้ก็เลยเป็นอันว่าสัตว์ทั้งสามประเภทเนี่ยก็เลยตกเห็นพร้องต้องกันว่านกกระทาเนี่ยไปกินตน้นไทรแล้วก็มาถ่ายนี่คือจึงเกิดตน้นไทรตัวนี้ขึ้น ต, ตัวลิงก็มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ยืนังแงสองขาขึ้นไปกินยอดตน้นไทรแล้วก็ช้าง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 เออในพระไตรปิฎกถ้าเราได้ศึกษาจะเป็นลักษณะอย่างนั้นกว่านั้นสรุปแล้วก็คือบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายให้มีความเคารพซึ่งกันและกันอย่าไปตีเสมอปราราสตีเสมอไม่ดีแต่ผู้ที่พอที่จะเป็นเรียกพี่ป้าน้าอาเอ่อป้าลุงเอ่อพี่น้องก็ให้เคารพสิทธซึ่งกันและกันถ้าเราทําได้อย่างนี้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 ให้กับใครอื่นนั่นแหละเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ขวางเขาเขาเห็นเขาก็หมั่นไส้อีกเหมือนกันอพอหมั่นไส้ขึ้นมาแล้วก็หาเรื่องะอะไอกานแกล้งอผลในช่วงชุดมีเรื่องจนได้คนหาเรื่องผลใ้สุกแตกทะเลาะพิบาทกันเพราะฉะนั้นในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาท่านจึงบอกการอยู่ด้วยกันถึงจะมากมายขนาดไหน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 ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าการเทศบุคคลการสถานที่บุคคลควรจะวางตนอย่างไรกับเข้ากับชุมชนนี้นี้กับเก้ากับชุมชนนั้นนั้ น, น, นกับบุคคลกลุ่มนั้นกลุ่มนั้นนี่แหละถ้าพวกเราวางตัวถูกเราไปนัสถานที่ใดก็ร่มเย็นเป็นสุขท่นหน้ากันอันนี้ก็คือการอยู่ในชุมชนและสังคมแต่ส่วนด้านจิตใจของพวกเรานะอีกส่วนหนึ่ง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 ตามทำนองครองทำการพูดออกไปก็ทูกการกระทําออกไปก็ทูกนี่แหละเราจะเอาอะไรเราก็ต้องศึกษาศึกษาอะไรศึกษาธรรมะศึกษาธรรมะทำคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างพวกเราเนะี่ยอย่งอาศัยได้ยินได้ฟังอย่างวันนี้ขณะนี้นหะละหลวงพ่อพูดให้ฟังนละยอันไหนผิดอันไหนถูกเราควรจะดูรู้ได้ว่าเอ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 จนถึงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปวาจาคบรรตอาชิววามวสติสมาธิเข้าขายมักแปดนั่นะอันนั้นคือสัมมาทิฏฐิที่แท้จริงจากนั้นก็ชำระกายให้ชำระใจของตนเองให้หมดจดจากกิเลสโรคโลคโกรธหลงราคะโทสะโมหะออกจากกิจใจเป็นไปด้วยสัมมาทิฏฐิทั้งนั้นถ้าวัาคิดผิดแล้วแก้ไม่ได้ร แ, แกกกิเลส จะแก้ได้ยังไงมีแต่ถลังลึกไปเรื่อยถ้าคิดผิดทำออกมาก็ผิดพูดออกไปก็ผิดว่าอะ ไ, ไรเพราะต้นตอมันมันไม่ถูกถ้าว่าต้นตอเป็นสัมมาทิฏฐิคิดดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างกันกลองด้วยเหตุได้ผลจากนั้นก็ ก, ก, กันกรอเข้ามาหาใจอีกชำระใจตัวเองอีกใจก็หมดจ ด, ดจากกิเลส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 วันนี้ก็ให้แนวความคิดกับพวกเราพุทธศาสนิกชนสัายา ญ, ญาิโยมลูกหลานทุกคนเพราะพวกเราเป็นพุทธบริษัทนะรับพรอนโมตนาให้พร